มันเป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าคุณธรรมที่เขาเป็นปัจจัยเขามีคุณธรรมมีอยู่นะขันธะไดยัชนะที่สมมุติว่าแม่มีขันธะไดยัชนะที่สมมุติว่าลูกมันมีขันธะไดยัชนะที่สมมุติว่าสัตว์บุคคลเป็นต้นมันมีอยู่แต่ต้องไม่ล่มหลงในปรามัตและบัญญัติมันนิ่งจะเป็นปัญญาเข้าใจไหมเนี่ยคือท่านวิปัสสนาท่านไม่ให้ไปแยกนะท่านให้ไปเข้าใจ วิจัยให้ได้ส่วนนี้คือบัญญัติโอ้าไม่ใช่ว่าโอ้โหทั้งนั้นก็ตัญหามันไม่ยอมนะเราบอกเอ๊ะเรียนไปเรียนมาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจไหมตัวนี้ที่เรียกภรรยาของเราเสมมุติยอมสมานใช่หมแท้ที่จริงก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่อยงแม้ยอมผู้หญิงยอมมองยอมสมานก็โอ้ต่อสามีเป็นสมมุติแต่แท้จริงก็รูปเวทนา แต่การเกี่ยวข้องกันโดยฐานะโดการปฏิบัติต่อกันมีอยู่ไหมมีอยู่เห็นไหมเขาเรียกไม่ร่วมหลงในปรมาต์และก็ไม่ร่วมหลงในบัญญัตินี่เขาก็เลยเข้าใจแล้วมันจะไม่ยึดติดกันหรอกถ้ามันจะเข้าใจมันก็จะรู้หน้าที่ในการปฏิบัติกันแล้วมันจะเป็นอิสระไหมแบบเนี้ยเป็นอิสระโล่งโปร่งเบาด้วยแล้วไม่เป็นไปกับตันหาราคะด้วยเข้ายยามันวิจัยอ่ะ มันจะเจออีกหนึ่งเราไม่มีแล้วของของเราจะมีแต่ที่ไหนใช่ไม่ใช่ก็เราไม่มีแล้วของของเราจะมีแต่ที่ไหนมันไม่มีหรอกแต่โดยความเกี่ยวข้องกันมันมีนะโดยความสมมุติน่ยมันมีอยู่แต่แท้ที่จริงมันไม่มีใช่ไหมแท้ที่จริงก็เป็นกลุ่มของดินน้ำไบลมสีกิ่นรสโอชาธาตุเป็นกลุ่มของนมามธรรมรูปธรรมทั้งหลายที่มันกําลังเกิดดับสืบต่อไปอยู่ โรคเวทนาสัญญาสังขารนิยามที่ไปนั่งกินอาหารเมื่อกี้กับที่มานั่งตรงนี้มันหมดไปหมดได้ยังไะก็เหตุปัจจัยมันหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดไอตรงเนี้ยการพิจารณาการสืบต่อไม่ว่าจะเป็นทัศนาสันติสาวนาสันติกายนาสันติสายนาสันติพุทธนาสันติและจินนาสันติคือการสืบต่อกันของทางตาวานตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ถูกกระจายมันเป็นแท่งทึบซะนี่ เราก็เลยวิจัยไม่ชัดเข้าใจยังที่พูดไม่ค่อยดีเห็นดีเห็นงามเลยไม่มาทางพระเจ้าแล้วเข้าใจไม่ยอมเนี่ยนั่นเป็นอย่างนี้ทีนี้พม บ, บอกเข้าใจปุ๊บยังหลานเราอยู่ไหมฮะวิจัยให้สักล้านรอบหนึ่งล้านรอบแล้วลองมาหามานั่งคุยกันใหม่ กล้าให้ที่จะไปคิดตามความเป็นจริงอ่ะคิดให้เข้าใจนามรูปก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ปัจจัยของนามรูปเวทนาถามบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมียานที่สมมุติว่าหลานเนี่ยมันมาจากวิชาธนากรรมในบีดมีรวมชั้นแล้วเออมันมาจากเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยหมดเนีความขันท่ า, าระยะตนนี้มันก็ดับความเป็นหลานมันก็หายนี่มันยึดเข้าใจยัง นี่ก <interpret ations> ็มาจากรูปเวทนาสัญญานีเป็นรูปเวทนาสัญญาสังฆามีญาณกาลังเกิดดับสืบต่อไปอยู่มันมาจากวิชาสถานกรรมในอดีตนะถ้าเหตุปัจจัยมันเกิดมันก็เกิดอยูงเนี้ยถ้าเหตุปัจจัยมันหมดเมื่อไหร่มันก็หมดความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังฆามีญาณภพนี้มันจะหมดไปเอางี้ความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังฆามีญาณในขณะเท่าองน้ําหมดไปแล้วความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังฆามีญานในขณะไปกินอาหารหมดไปแล้วความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังฆามีญาณในขณะที่นั่งนี้เดียวหมดไป มันสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นฟ้าแรกเขบก็อย่าอย่าไปยึดฟ้าแรกว่ามันมีอยู่จริงให้เห็นอย่างนั้นอ่ะมันปะเดี๋ยวประดาแว๊ป๊อปแป๊บแป๊มันก็พิบตาม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลูปด้วยเร็วกว่าฟ้าแลบถ้ามันดับตลอดเวลาแต่ความที่เป็นสันตติที่มันสืบต่อที่สัตว์ทั้งหลายมีโมหะปิด ไม่สามารถแทงตลอดตามความเป็นจริงได้ล้วก็ไปยึดสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงว่ามันมีอยู่จริงเห็นไหมมันเป็นมายาจริงๆไหมเนี่ยมายาไหมมายาบวกมายาเป็นแปลว่าอะไรมหามายาใช่มเพราะว่าเราแบเราเห็นผิดมาตั้งแต่แรกเราเหนตัวเราในสังสารวัตที่ผ่านมายึดมาทุกพบ มันก็จเราเป็นแตเกิดมันหายไปหมดแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่ดับไปแล้วมันก็มันเป็นอะไรมาตลอดกช่ใช้ก็ดับอยู่ตลอดเวลาก็มาจาเหตุปัจจัยด้วยไม่ใช่ดับละสูญด้วยนะเพราะมันยังมีเหตุปัจจัยสักยะที่จิตมันยังถอนไม่ได้มันมันมันไม่หยุดเดินหรอกความคิดเนี่ยมันถอนความเห็นผิดออกจากกระแสขันไม่ได้มันก็ไปมันอยู่เงนี้ยมันจะไปสมมุติว่าเป็นสัตว์นรกก็ได้สมมุติว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ สมมุติว่าเป็นเปรตก็ได้สมมุติว่าเป็นอสุรกายก็ได้สมมุติเป็นมนุษย์บาปใบาบอดหนวลก็ได้สมมุติเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ได้สมมุติเป็นเทวดาเท้าชั้นจาตรมก็ได้เตชาจริงสายามาดุสิตก็ได้ปกรณีมิว ส, สวาสุวตีก็ได้เป็นหมหาพรมเป็นทามหาพรมเป็นต้นก็ได้เป็นในวัดสัญญาณนาะสัญญ า, า, าอย่างนี้นะผมก็ขหมุนเย็นไปในสงสารวัตก็คือฟ้ากับฟ้าแหลกฟ้ากับพิใช่ไหมแต่มันมันเกิดดับแต่มันเจ็บปวดจริงนะ เอาสิมันเป็นมนุษย์อย่างเจ็บปวดจริงๆไปเป็นเทวดาก็เจ็บไปเป็นธมเออเป็นเป็นสัตว์น ร, รกก็เจ็บปวดจริงๆนะเข้าใจยังไงตอนเนี้ยเนี่ยเรามายึดไอวเราเรียนรู้เวทนานต้องชัดฉะนั้นตรงเนี้ยก็ได้เข้าใจว่าเนี่ยทิฏฐิกับตัณหาเนี่ยกันมีวิตกเนี่ยมันเป็นตัวนําให้เกิดแล้วก็เข้าใจผิดกันมาเงี่ยอยก็เห็นเปนสัตว์บุคคลเห็นบ้า แล้วมันก็ไม่ถ่ายถอนเพราะเราไม่ไปนั่งวิจัยเรียนนะที่ทำกันมาจนโอ้โหไม่รู้เท่าไหรแล้วเราไปเรียนแบบท่องต่แต่แต่แตแล้วมันเจาะอะไรอนะ่ะฟังเนี่ยต้องคิดคิดเพื่อให้เกิดบ่อยๆไม่ได้เป็นภาวนาไม่ใช่ไปเข้าป่าคิดอย่างเดียวหรอกนี่เอามาคิดเอามาไข่คุ้นอย่าให้เบาทีเรียนอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมจ๊ะเรียนแบบ โสมนส จ, จะสหัชฌ า, า, าที่จิตกัตตาสำใบยุทธังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นแล้วโอ้ปั๊ดคือคือจําน่ะมันดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องเจาะเข้าไปคิดไขควรเบอร์บอไม่นจะได้เกิดปัณณ์ขยันยังเป็นไงมันต้องถ่ายถอนได้จริงๆข้าวสอนพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมันต้องพัฒนาแล้วถ่ายถอนได้จริง ถ้านั้นมันก็มันจะละอะไรได้ล่ะมันก็เป็นไปเพื่อแสวงหาความรูคมร้ความรูคมรคมร้ความรู้แล้วก็จบสตายกันไปที่ไปเกิดเป็นเปลี่ยนสุรการสันเดรยฉัสยสะนสรกก็ได้ออก็พอมีสัญญาจําได้แราะมันก็ไม่เข้าใจสักทีเข้ามาก็ผิวเผินอยู่เงี้ยมันก็เรียนได้ความอยากวิ่งไปวิชานั้นยังไม่เรียนวิชานี้ยังไม่ได้เรียนเไม่เรียนมากให้จบไปยังโอ้โหจบสอบไม่ผ่านหยายแนหมแย่เหลือเกินไม่อยู่กันเงี้ยเข้าใจยัง นน ม, มันก็เลยไปนั่งวนๆกันอยู่เนี่ยใช่ไมโอ้โีที่สอบได้ปีนี้สอบไม่ได้เพราะพอสอบไม่ได้ว่าไงมันเป็นอันนี้จังอาจารย์ฮะเอ๋สัที่สุดตอบนมันจังี่เข้าใจผิดเป่นแปลงเกิดแก่เร็วจะให้เปล่ยนมาเป็นตอเยใช่ไหรใช่ใและอย่างก็คือทาให้ศาสตร์โลกเข้าใจผิดไม่เห็นการสึดดออกต่อ ก็เหมือนแล้วไฟมันอยู่เยี้งนี้เราก็เห็นว่ามันไม่สืบต่อความเข้าใจก็ผิดใช่ไหมรูปนามเร็วกว่นี้เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เข้าใจแค่นั้นมันต้องเข้าใจด้วความเป็นบริสุทธิ์ด้วยความเป็นรูปประคันยังไงก็จะเคล็ดปัจจัยต้องไม่หลงหลงอย่างนี้เราตมองมอเห็นของเราเองและเข้ใจในตัวเราเองคือฟังนั่นแหละให้เข้าใจพอเข้าใจก็ไปตรึกไถ่ควรไถ่ควรบ่อยๆนะภาวนาจะปรากฏเข้าใจอย่าง การค่ายควรบ่อยๆการตรึกบ่อย ๆ, ยอยๆพิจารณาบ่อยๆนั่นแหละมันจะชัดขึ้นในใจไอ้ชัดขึ้นในใจนะั่นเลยก็ภาวนามันแค่นั้นแหละโดยข้อมูลมัอยู่แค่ตรงนี้อยอมคิดให้บ่อยๆแค่นั้นเองอะอย่าไปกลัวว่าวิปัสสนาไปนั่งคิดแค่นั้นแหละตรึกให้บ่อยค่ายควรให้บ่อยพิจารณาให้บ่อยก็เหมือนเรื่องงานต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปคิดอย่างนั้นนี่นี่ไม่ใช่คิดคิดมาโอ้โหประทับใจขึ้นมาเข้าใจนั่นแหละเข้าใจยังว่า มันเหมือ น, นว่าเราอ่านหนังสือแต่ก่อนเราก็ต้องคิดทับแย่เลยนเนี่ยว่าจะ อ, อ่านออกเดี๋ยวนี้ต้องคิดไหมดูว่าไม่อ่านปุ๊บเข้าใจเลยนี่ก็เหมือนการพิจารณาจนมันเด่นชัดอย่างนั้นแหละจนเข้าใจเลยเเเเเเได้เลย เราเราเรารู้เรารู้ศึกษาอึ่างนี้แล้วเราเข้าใจของเราแล้วเราเข้าใจของคนอื่นด้วย<ช>แต่ <rez> ถ้าคนอื่นเขาพูดเรียนอย่างนี้อเราไปเข้าใจคนอื่นแต่เราพูดไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ถ้าเราพูดปัญหาเกิดก็คือเราเข้าใจในคําว่าเข้าใจตรงนี้หมายความบอกว่ามันไม่ใช่ไปเห็นมันไม่ใช่ไปเห็นยิบยับยิบยับยิยั บ, ยบ blindness blindness นะเข้าใจนะอันนั้นมันฐานสัพพยุจญาณเข้าใจไม่ใช่เรา แต่เราฟังแล้วมันเข้าใจพอเข้าใจขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นจริงๆด้วยฐานกว้างในละเยองมายพอเห็นในลักษณะอย่างนั้นมันเกิดความสะดุ้งสะเทือนตามความจริงนะ้วในสติจริงความเป็นเหตุเป็นปัจจัย ก, กึ่างมันชัดขึ้นการเห็นมันเป็นอย่างนี้นทีเห็นเนี่ยอาจารย์คือเห็นโดยสังติแต่สังติขาดใช่ไหมอ๋อ ค็ อ, อย่างนี้ไอ้คําๆนั้นก็แปลว่าเขาแปลว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาเห็นเห็นเห็นการขาดขาดยังไงหหมายว่าไอ้ไอ้ตัวไอ้สังติยนที่มันตึง่อเพอห็นแ้มันก็เกิดการขาดเห็นหรือว่ามันมันไอตัวที่มันเป็นสังติอย่างนี้นะว่าในกรณีที่บอกว่า โดยโดยสภาพของทัตสนาสันติสาวนาสันติกายนะสันติสายนาสันติปุส น, นาสันติจินตนาสันติเนี่ยในกรณีที่เกิดขึ้นทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆเนี่ยกรณีการเกิดขึ้นสืบต่อกันนี้นะ ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าอโยมหมั่นกาลังดูอยู่ต่อมาเปลี่ยนจากการดูแล้วมาฟังเห่นไหม ไอ้ช่วงจากการที่บอกว่าพอการดูมันหมดไปแล้วแล้วก็มาตอนนี้กำลังฟังอยู่มันเข้าใจมันเข้าใจล่องลอยเหตุการสลับแค่นั้นแหละมันไม่ใช่ไปแหเข้าใจยังมันไม่มีหรอกเว้นไว้แต่สัพพยุจจยานน่ะท่านสามารถนับขณดจิตได้แต่อย่างเราน่ะรู้ตามสัพพยุจยานแต่เราสามารถมาเปลี่ยนได้ รู้การขาดตอนกันของระหว่างทางจากภูทวานมาโสตทวานิวหาทวานมากายยะทวารแม้ทํามโนทวา น, า น, วานขึ้นไปทางจากภูทวานเป็นต้นเนี่ยโดยโดยภาพรวมตรงเนี้นะเขาสามารถจับการเชื่อมโยงได้เข้าใจอย่ายงในเนี้ยก็าก็เห็นโอ้ oh, พระบรมศาสดา ต, ตรัสจยนี้มันประจักษ์ชัดในใจตัวเองอย่างนี้เห็นเหตุปัจจัยของเขามาอย่างไงเป็นต้นนั่นเลยถ้าอย่างงั้นมันจะเห็นเป็นอันเดียวกันเป็นหมดเลยนะไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินเนี่ยใช่ไหม เห็นเลยได้ย็นได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสด้วยการคิดนึกเนี่ยมันกลายเป็นคนคนเดียวกันมันไม่มีการขาดตอนของการลงสู่พระวาระขึ้นสู่วิธีอะไรเลยเข้าจไอ้ยังสันไอ้สันติต่างๆที่เป็นไปกับทวารไม่ใช่บอกโอ้ยไปกําหนดแล้วแม้ยอมเห็นแวบๆเลยเนี่ยมันยุ่งให้มันเป็นไปตามวิธีคําสอนแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยเพราะว่าการขาดตอนเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่ เออมันเกี่ยวข้องกับรามานปัจจัยยังไงเกี่ยวข้องกับสาชาแต่ปัจจัยยังไงเกี่ยวข้องกับอัญญาอัญญาปัจจัยยังไงเกี่ยวข้องกับอุปนิสัยปัจจัยยังไงเกี่ยวข้องกับวิชาตันหกรรมในอดีตอย่างไรใช่ไหมเอาวิชาตันหกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้ได้เห็นพอกรมเหล่านั้นหมดการเห็นมันก็จบเข้าใจยังอาวิชาตันหกรรมที่ทําไว้เป็นปัจจัยให้การได้ยินพอกเขตปัจจัยนั้นมันหมดการได้ยินนั้นมันก็จบเนี่ยนะ มันเริ่มเข้าใจชัดเนี้ยอาวิชาหากรรมเป็นปยยัจจัยแห่งการได้กลิ่นการได้กลิ่นแต่ละช่วงมันจบไปใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเรานั่งรถไปเนีย่ยกลิ่นเหม็นมันเข้ามาแต่พอรถมันวิ่งผ่านไปปุ๊บหนึง่งมันจบเห็นไหมอ๋ออาวิชาศาสนากรรมในอดีตที่ทําไว้มันทําให้ได้กลิ่นประมาณเท่านี้พราะเหตุปัจจัยมันหมดเองอะตัวกลิ่นมันหมดไปเนี้ยท่านเข้าใจอย่างเนี้ยเข้าใจยังย้อนหลัง อออนั่นะมันจะชัดในลักษณะอย่างนี้ความชัดมันนะผมไมอยากคิดว่าเออมันวิี่นะการเกิดับไอ้สัติในวิถีเกเเเเิดับกเเปบเข้าใจตา ม, ตามพุทธพจน์ในลักษณะอย่างนั้นคือถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นอ่ะไอ้ความละเอียดเ น, น, มนีมันจะเริกมากความละเอียดเนี่ยมันได้ระดับปัญญาของแต่ละบุคคลขนาดภาษาีบุจะเป็นจะคานวณจิตพระเจ้าบอกวันไม่ใช่ีสัย อันนี้เป็นพุทธวิสัยไม่ใช่สาวกวิสัยภาษาญุบณรนับเมดฝนได้ไม่ได้แต่อย่าานับขนาดจิตเข้าใจไหมเมฆฝนนี่ยภาษารุบณ์นับได้จริงนะตอขนาดไหนท่านคำนวณได้แต่ขนาดจิตมันเร็วกว่นั้นเนี่ยทำ ง, งานต้องเป็นพุทธวิสัยเข้าใจไหมพุทธวิสัยไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นปฏิบัติที่จิตเกิดดับทุกขณะพูดประหลาดแล้ว ประหลาบแล้วจริงไห้โยอใครไปคํานวณได้ต้องสัพพยุติยานนะ์คานวณได้เพราะไม่ใช่ไม่ใช่สาวกวิสัยแล้วะยิ่งปัจจุบันนี้แล้วหมดสิทธิ์นี่ถ้าเราไม่ลุ่มหลงในคําสอนถ้ามันชัดเจนแล้วมันจะได้เข้าใจชัดขึ้นตอนนี้เนี่ยตอนนี้กำลัจงจมตีกนอ่ารอ๋อตรง น, นี้เราก็ต้องบอกเขาว่าเป็นพุทธพจน์นใช่ไหมที่ที่เห็นนะ่ะ เห็นในกรณีอย่างนี้ไม่ใช่เห็นโดยเห็น right. ตัวเองเห็นนะแต่เป็นพุทธพจน์ใช่ไหมเอางี mm ้อ่านตั้งตรงไหนเออตรงนี้ดีเลยถ้าพูดอย่างนี่ยนะมีที่มาเอาที่มาที่ไหนเอาเวนิกระทำสิบแปดพุทธยานสิบหสิบสี่แล้วก็เวสารัชยานสี่ใช่ไหมอาสาทะนาญาณหกแล้วก็อ่านตรงนี้สิทศพลายานของพระเจ้าเป็นต้นหรอเนี้ย โดยเฉพาะอาสาธานญาณเนี่ยอินทริยปรโรปริยติญาณผู้เจ้าจนะรู้จักอินทรีย์ของสัตว์รู้เลยสมมุตพิพระเจ้ายัางทรงพระชนอยู่รู้เลยสัตว์พวกนี้มากไาด้วยศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาใช่ไหมรู้ความอ่อนแก่ของอินทรีย์แล้วอาสยานอุศญาณเนนะ่ยรู้รู้อนุสัยรู้อธัธยาศัยของสัตว์ด้วยแล้วอินทริยะแล้วก็ยมา ก, กับปฏิหาริยามีพญานี่สามารถแสดงยงมา ก, กับปาริหารเดือพิสดารได้ แล้วก็มาหากรุณาสมาปฏิยานอันนั้นก็คือมีพระมาหากรุณาทีนี้สัพพัยุตยาน迦นาวรณียาเนี่ยบอกว่าโลกธาตุมีเท่าไหร่สัพพัญยุตยามีเท่านั้นโลกธาตุเนี่ย <c oughs> ในแสน ก, กวีจกาลมีเท่าไหร่นะปริมาณขอบเขตมีเท่าไหร่สัพพัยุตยานก็มีเท่านั้นสันตว์มีจำนวนเท่าไหร่สัพพยุตยานก็สามารถเจาะทะลุทะลวงได้เท่านั้น กระแสจิตของสัตว์ที่เป็นไปในแสนโกดจักรวาลมีเท่าไหร่สัพพยุตยานก็สามารถเจาะทะลุทะลวงได้หมดขนาดนั้นเอาสินี่ไงเพราะอะไรหนึ่งสัพพยุตยานเพรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างอนนาวรณายานไม่สามารถมีอะไรมาขัดขวางได้ฉะนันพระพุทธเจ้าสามารถจะคำนวณจิตของสัตว์โลกได้เป็นแสนแสนโกดได้นี่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ผู้พูดรู้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ ถามว่าคุณไม่ต้องสงสยัยคุณอยากได้แบบนี้ไม่ล่ะคุณกล้าไหมยี่สิบประสงคขายยิ่งด้วยแสนกับคุณเริ่มนับไปเอาเบรย์ปรมีสิบอุปปัรามีสิบแล้วปรามัติธรรมารมีสิบคุณทําเรื่องตัสรู้เรื่องบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องพูดวันเดียวนะคุณเกิดมาทั้งยี่สิบปสงคขายยิ่งด้วยแสนกับคุณยังแทงตลอดอะไรไม่ได้เป็นบงเป็นข้ออะไรแป่ว่ามิจฉาทิฏฐินั้นเต็มในกระแสขันท่าในญาตหน้าของคุณนั่นคุณก็เถียงกันด้วยที่มิจฉาทิฏฐิเราไม่เถียยงด้ว แต่เพียงว่าหนึ่งเราพูดเราไม่ได้พูดในฐานะผู้รู้แล้วพูดในฐานะผู้ตามและเราจะไม่พูดสิ่งที่นอกอย่างพุทธพจน์ใช่ไหมเอาสิในคาสอนมีไม่มีเอาไปดูทศวรษยานสิบเวสราชยาณสี่แล้วไปดูในเวนิกระทำสิบแปดแล้วก็พุทธญา1สิบสี่ไปดูได้แล้วมีจริงด้วยท่านที่พูดเนี่ยบอกว่าเห็นเกิดตับ นามรูปต่างๆทุกขนาดเนี่ยอะไรเห็นบอกสรรพยุติญาณเห็นอนาวนาญาณเห็นเราเห็นไหมไม่เห็นเอาเข้าใจโดยโดยโดยโกว้างๆโดยห ย, ยาบๆได้ไม่ได้เช่นอาจากกุทวานวิถีอเป็นไปทางทวานตามันหายไปแล้วแล้วก็มาสู่ทางโสตธวานเป็นต้นอาะเห็นได้อันนี้โดยการขาดช่วงยาวไกลใช่ไหมเขาเรียวกว่าสันตติที่ยาวไกลเราจะไม่เห็นทุกๆขณะไม่ได้แต่เข้าใจได้ไม่ได้ อ้าวทำไมถึงเข้าใจได้อ้าวพุทธพจน์พระเจ้าบอกไว้อ้าวทำไมต้งเชื่ออ้าวไม่เชื่อได้ไงใช่ไหมเพราะคำสอนต่างๆประกอบด้วยเหตุและผลศึกษาที่คุณไม่เชื่อก็ได้แต่คุณต้องศึกษาแต่คุณตั้งปอมว่าไม่เชื่อด้วยไม่ศึกษาด้วยงั้นเราไม่คุยด้วยนคุณเล่นเล่นแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งไม่เชื่อแต่บอกศึกษาไหมบอกไม่ศึกษานั้นเราไม่เชื่อยังไม่เลือกพูดใช่ไหมปุ๊บ ก็ถามบอกว่าไม่ใช่กฎของรอจิกเนี่ยกฎของเหตุผลเนี่ยไม่เชื่อสิ่งใดก็ศึกษาสิ่งนั้นนี่คุณล่นไม่เชื่อแต่ไม่ยอมศึกษานี่ก็จบแล้วก็จะบอกเข้าไปว่ารกรณีเนี่ยเราต้องบอกนไยบอกว่าหนึ่งคุณอยากรู้ไม่ได้ใช่ไม้มต้องถามถ้าบอกอยากรู้เอาคุณการศึกษาไหมอเมริกาอยากรู้ได้ไงแค่นี้คุณจบแล้วลใช่ไหมเหมือนคนอยากเป็นด็อกเตอร์แต่คุณไม่เรียนนี่ยก็จบ อา่าทำไมต้องรู้เอา่าเรารู้เพราะเราฟังรเราทำเราฟังหน่เราไม่ใช่รู้เราไม่ใช่บอกว่าเออมีคนมาบอกเข้าไปเจ้าเห็นแล้วก็เชื่อตามอีใช่ทําไมเอาความรู้สึกไปเชื่อไว้กับบุุคชนลแล้วถคนบอกเอาคนนั้นประกาศเป็นภารยาเอาถ้าหากว่าคนนั้นจะประกาศบ้างคุณจะว่าไงที่พารยาก็เต็มไปหมดแล้วคนก็เข้าใจปฏิปทาพารยาผิดแล้วสิเขาจะไปเข้าใจให้ภรรยาเราเป็นแล้วต้องประกาศตนนัวเองไ ด, ได้ยุ่งเลยคุณก็ต้องไปฉี่ว่าใจวีเดียวหลอกออกแล้วหลักของศาสนาอยู่ตรงไหน หลักการอยู่ตรงไห น, นต้องมีหลักการดิคําสอนพระเจ้าเนี่ยประกอบด้วยเหตุและผลคุณก็ศึกษาได้คุณไม่ต้องเสียเวลาศึกษาหลายปีด้วยถ้าคุณสงสัยจริงจริงคนศึกษาไปถึงสามปีคุณต้เข้าใจแล้วสองปีคุณก็เข้าใจได้ถ้าเฟังเห็นนี่นะจะไม่ถึงมันไม่มีเหตุผลในการจะเสียงจะบอกอถ้าบอกว่าอเอาคุณเห็นเองอ่ะก็เชิญคุณเห็นมาคุณเห็นเองซะแล้วจาบากใช่ไหมก็ถามว่าแล้ ตานี่มีขีดจํากัดไหย ม, มีไหมมีแล้วความคิดของบุรุชนเนี่ยขีดจํากัดเยอะมากอึดอาดใช่ไหมมันไม่เป็นไปาตามร้อยคนก็ร้อยเรื่องพันคนก็พันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปกันใหญ่แต่ปัญหาจริงๆก็คือหลักของภาษาศาสนาตน้องมีแล้วคําสอนพระเจ้าพระเจ้า ว, วางหลักไว้แล้วไม่ทำประกอบไปอาถรรพ์แล้วไญชนะไม่ต้องห่วงกวรณีอย่างเนี้ยคือฟังแล้วเป็นเรื่องง่ายมาก เป็นเรื่องง่ายมาถ้าหากว่ากรณีที่ไม่เถียงกันโดยสเตสปาเนี่ยคือคนไม่รู้ต่อคนไม่รู้เถียงกันเนี่ยยุ่ง <c oughs> เขาจงห้ามไง <c oughs> เวลาจะไปคุยกันเนี่ยต้องไปคุยกับสาวคุณมีข้อมูลไหมที <c oughs> ่เราขอคุยด้วย <c oughs> ถ้าไม่มีข้อมูลเดินหนีต่างคนต่างก็ไม่รู้เรื่องกันเนี่ยไปกอดมันเหมือนอะไรนะเหมือนคนมีปัญหาเรไปหาโอ้โหเราทุกข์ใจเหลือเกินอีกคนนึ่งวะเราก็ <c oughs> ทุกข์เหลือเกินงั้นไปเราไปชวนกันไปฆ่าตัวตายเยอ ่อยไปเลยปล่อยฟศาสนาได้จจริงถึงว่าไงบอกว่าจริงๆก็คือจริงงนี้มีอะไรหรือยวงไอมันไปนังฟังมาหลายหลายแล้วถามไปถามมาไม่รู้คาตอบไม่รู้คาตอบไมจที่ก็เอาสาระไปรลยก็เพราะขี้เมาเสียงกันนี่ละเดรู้ก็กลับไปบอกว่าเอ่อเป็นมารของศาสนาก็เลยเลยยิ่งไปจบ ไปถูกคันบีซ่อนื้กลัวจะเป็นมารกันอประการต่อมาเนาะวิตกเนี่ยต่อมาฆ่าแต่พระเออเอาข้ อ, อนี้ให้จบไปเลยเอ่ะฆ่าแต่พระ อ, องค์คนนี้ระทึกความตรึก ม, รมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยวิตกที่ประกอบไปได้วยตัณหาและที่ประกอบ ไ, ได้วยวิชาที่สีเนี่ยแหละมีอะไรเป็นเหตุเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นแดน เ, ดนเกิดมีอะไรเป็นกำเนิด พราะอะไรมีวิตกที่เป็นไปกับมิจฉาทิถีและวิตกที่เป็นไปกับศาสนาจึงมีเพราะอะไรไม่มีวิตกที่เป็นไปกับทิถีและวิตกต่ที่เว้นในศัสนาจึงไม่มีเพราะปรมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนดูกระละจอมเทพหรือดูก่อนจอมเทพนี่นะเน้่ยคำสอนพระเจ้าดีก็ใช้คำมาดูกระละนีเนี่ยดูก่อนดูก่อนไอ้อำไมเป็นงั้น่ะดูกระละจอมเทพดูก่อนได้สำนวนดีนะ ดูก่อนบางบางฉบับท่านจะใช้กอไก่ไม้เอกออ่างก็นอนหนูดูก่อนอ น, นี้ดูกระดะดูก่อนก่อนแปมืออ่ะที่แปออกมาเลยยุ่งเลยตอนี้เป็นจำนวนนะความตรึกมีสัญญาอันประกอบไปด้วยปปัญญาธรรมสัญญาอันประกอบไปด้วยปปัญญาธรรมเนี่ก็คือตัณหาสัญญาที่เป็นไปกับตัณหา สัญญาที่เป็นไปกับมานะสัญญาที่เป็นไปกับทิฏฐิเขาเรียกปัปัญญาธรรมธรรมที่ขยายวตาอย่างหรือธรรมที่ทําให้เนิ่นชา้าถามว่าเรานี่มีปปัญญาธรรมไหมมีตังหามานะทิฏฐิไหมเขาเรียกสัญญาที่เป็นไปกับปปญญาธรรมเอาวตฏายเรายาวไหมเกิดกัมากี่ชาติแล้วเนี่ยพระเจา้าองค์นี้สร้างบา ร, รมีมาเท่าไหร่ยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรับ องค์กนหน้านั้นคื อ, อสี่สิบสงขายยิ่งด้วยแสนหมากับแล้วก็มีแปดสิบสงขายยิ่งด้วยแสนหมากับมาเยอะแยะหมด น, นานไหมที่เราเราก็เป็นพวกสัญญาที่ประกอบไปได้วยปัญญาธรรมเนี่ยเขาบอกปุตยะบอกไม่ให้ครบคนมีวิชาี่จิตไม่ให้เข้าใกล้ไม่ให้เสพว่างแม่สมาคมด้วยโอ้โหน่าคิดเลยนะ ตรงนี้ก็คือให้รู้ว่าเรานั้นเป็นผู้มีสัญญาที่เป็นไปกับฝ่ายพันจะธรรมแล้วแล้วตอนนี้ไอตัวตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยมันก็ฝังแน่นในกมลลสนดา น, นพร้อมจะขยายไปในอนาคตอีกยาวไหมถ้าถอดสลักวันนี้ไม่ได้ยาวแน่ๆยาวแน่แน เราอาจจะไปเจอกันอีกทีอีกยี่สิบประสงค์ไขข้างหน้ากัใช่ไหมบอกโอ้โหเห็น่ยาวไกลเลยเราหกเราเหินเดินทางโอโ้หน้าทรมันมาที่บอกว่าอย่าไปยอมสมานเอาชาร์ชีพเอกสารแม่ยันดูนี่เห็นไหมตอนนี้ขาลงแล้วเนี่ยโคตามานี่ลงแล้วคือวิทว้านี่ น, นะ พอสุดแล้วนะแต่นี่ก็จะขึ้นขึ้นไปสองขายแล้วลงใหม่พอลงมาแปดหมื่นดูที่ดูตารางสุดท้ายอ่ะดูดูดูดูไอ้เอสเ้นสุดท้ายอ่ะที่ยอมสมานธรรมมาเนี่ยเห็นหรือยังตอนนี้ลงอยู่ใช่ไหมโพธิมาลงใช่ไหมเนื้อลงไปถึงสิบแล้วก็จะขึ้นไปอีกนะร้อยปีขึ้นปีไปไปถึงสองขายสองข่ายกลับสองข่ายขา ย, ขายปีนั่นแหละ แล้วมาก็จะลงมาพอถึงแปดหมืนปีพระศรียเมตไตยมัสัแตแปลว่าเหลือไม่ถึงหนึ่งอันตรกรับเอาและวางแผนไว้เพราะถ้าเส้นพระศีียะเมตไตยนี่วางยาวไกลเลยโลกว่างจย่าพระเจ้าอีกยาวไกลและมืดเลยวางแผนไว้ถ้าปรารถนาจะตัดรูพธธร้พัตกากับนี้วางแผนไว้ทุกวันนี้ท่าเรียบคลในชั้น จตรงมหาราชิกาเต็มไปหมดเจ้าวะดึงสายามาจุสิกนิมานรารดีปรนนิมิสวาสยเต็มไปหมดแม้แต่ชั้นปฐมชานภูมิเป็นต้นไม่มีแน่สัญญาสัตตภูมิและไม่มีแนใบยภูมสีเท่านั้นนอกนั้นพริยายังมีอยู่าศาสนาพุทธยังเจริญรุ่งเรืองเต็มห้องหัวใจบุคคลเหล่านี้เพราะศาสนาเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญา ขยาจอย่างว่าศาสนาไม่เสื่อมเพราะศาสนานั้นเป็นชื่อของสิกขาสามใช่ไหมอ๋อใช่ไม่ใช่เพราะศาสนาเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลสมาธิปัญญาอยู่ในกระแสขันของท่านพูทธดยแปลว่าศาสนาไม่เสื่อมจากกระแสขันของท่านพุนธาน ถ้ากระแสขันธ์ธาอายตนะของผู้ใดไม่มีศีลสมาธิปัญญาอยู่เลยเขาเรียกะเหล่านั้นนะ่ะศาสนาเสื่อมอย่างท่านคุณท่านเปแล้วกระแสขันธ์ธาอายตนะของท่านเมื่อนนตกจากาศาสนาแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ทําลายาศาสนาท่านผู้ที่ไม่ให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดอยู่ในกระแสขันธ์ธาตนี่ละท่านผู้นี้แหละเป็นผู้ทําลายาศาสนาเร า, า, า ไ, มไม่ใช่าศาสนาไ่ยไหมใช่ศาสนาไหม ตัวพระนี่ใช่ศาสนาไหมมันไม่ใช่เลยพระเหลืองก็ไม่ใช่ศาสนาแต่ศาสนาไป็นที่ของศีลสมาธิปัญญาที่กําลังประชุมอยู่ในห้องใจของเราท่านทั้งหลายที่แหลแล้วมันประชุมได้บ่อยไหมละถ้าเวลาใดประชุมอยู่ศาสนาก็เจริญในใจท่านบุญนั้นถ้าเวลาใดมันไม่มีศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดอยู่แปล ว, ว่าศาสนามันเสื่อมแล้วเราตกจากศาสนาแล้วห่วงัมนมาเป็นห่วงอย่างเดียวกลัวพวกเราเนี่ยจะตกจากศาสนา เข้าใจไหมเราไม่ต้องกลัวศาสนาภายนอกมันจะเสื่อมหรอกถามว่าราจิศีเนี่ยตายเพราะอะไรมันไม่ได้ตายเพราะสัตว์ป่าอื่นเลยไนงะแต่มันตายเพราะหนอนที่เกิดในตัวของราเจสีกระแสขันท่าอายตนาของเราเนี่ยมันมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายยังเป็นตัวหนอนที่มันบังหรือมันชอนชัยมันกินศีลสมาธิปัญญาในใจเรา ศาสนาเนี่ยมันมันเกิดอยู่ในกระแสขนานธ์ธาตุยานตนะอย่าไปดูยังอืมต่อให้บ้านต่อให้วัดวารามสวยงามขนาดไหนถ้าเต็มปุ๊บเงินประเทศไยขนาดไหนแต่ไม่รู้จักศิกขาสามประชุมสิกขาสามไม่เป็นเลยมันก็เสื่อมจะเอาอยู่ไหมไม่อยู่หรอกเข้าใจยังงั้นอย่าไปตกใจเรื่องศาสนาเสื่อมอย่าตกใจเรื่องอิสลามหรือเครียดแต่ถ้าตกใจที่สุดก็คือเรื่องอะไร เรื่องเราท่านทั้งหลายนี่แหละมันกระจายสิกขาสาม้าสูส่กระแสขันท่าได้ยตนะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากเข้าใจอย่างเนี้ยถ้าขันมันมีศีลสมาธิป็นยายอยู่ก็ศาสนาก็มันก็รุ่งเรืองอยู่แล้วไฟมันก็ติดใช่ไหมเทียนมันก็ส่องสว่างในห้องใจนี่นะ น, นี่มันไม่มันดับเยอะนี่เ ด, ดี๋ยวนี้ใช่ไหมใครจะไปดับได้ในห้องใจสงพระริยาดับได้ไหมท่านเป็นโลคุตระสารณคมแล้ว นี่เรามันไม่ทำโลกุตระสาธารณะคมไม่เต็มห้องหัวใจ ấy, ใช่ไหมเราถูกเอ็หนอนคือมิจฉาทิฏฐิมันชอนชัยมันตายไปแล้วราชาสีห์เข้าใจยังเี๋นี้ฉะนั้นพวกเราไม่ค่อยกระจายความเข้าใจตรงนี้นะให้มันเข้าใจแล้วก็เดินตามสิกขาสามเข้าใจไหมพูดอย่างเงี้ยเราเนี่ยตกจากศาสนา ไม่ต้องกลัวศาสนาจะเสื่อมเพราะในเทวภูมิเต็มไปหมดพระญาตเต็มไปหมดถามว่าพาระญาติเฉพาะในสาวถีนะ่ะห้าโกดที่ยังไม่ปรินิพานก็เยอะไซม์ไม่หมดแหะในสวรรค์ทุกชั้นนะ่ะไม่ต้องกลัวท่านหละศาสนาไม่มีทางเสื่อมในมนุษย์เนี่ยยังเอาให้อยู่กันนะ่ะแต่ในภพอื่นนะ่ะเขาเอาอยู่ พวกเราจริงๆเรียนศาสนาทำพลาดไงเดินศึกษาสามมันไม่เป็นในชีวิตจริงมันก็พลาดกันอยู่ทุกวันเนี่ยเหมือนกับที่บอกการปฏิบัติเนี่ยมันหันปากกระบอกกลืนผิดกันหมดเลยอ่ะเขายอย่างไม่เข้าใจกันในปลายเลยตอนเนี้ยศรัทธาก็อ่อนแง่เพราะศรัทธาเนี่ยเป็นปัจจัยใการศึกษาสามใช่ไหมเราไม่เอาศรัทธาตั้งไว้ที่สถากระตากพที่ศรัทธาศีลสมาธิปัญญาก็เลยไม่เกิดในห้องใหญ่เลย น้าศรัทธาในพระเจ้าก่อนเนี่ยศีลศีกขาสามไม่ได้วูดถึงยน้องเข้าใจอยังไงเนี่เอาวันหนึ่งเนี่ยาศาสนาเสื่อมจากใจเยอะไหมบ่อยไหมนั่นน่ะใครเป็นคนทําลายใครเป็นคนทําลายน่าเป็นห่วงใครนาเป็นห่วงตัวเราเองนี่แหละมันตกจากาศาสนาใช่ไหมเข้าใจอยังไงเนี่ย เราเนี่ยมันจะตกจากศาสนาเอาจะยุ่งเงยเลยเนี่ยแล้วในส่วนจริงเราก็ไปไม่เป็นเลยเลยเนี่ยเอาสิาปไม่เป็นแล้วมันตกเลยตกจากศาสนาโอ้หน้ากรุณาเนาะคนตกจากศาสนาเนี่ยแล้วมันจะไปทัำศาสนาก็ษียังไม่ตายากก็อธิษฐานไปยรงไหมโยมสมานอธิษฐานไปสิคอยพบพระศรีอ่าร์คอยเข้าถึงเมืองปฏิพาในนาคตการเมืองนานเกิดยุ่งเลยมองเห็นแล้วเนาะจะเนี่ยนะ ฉะนั้นในกรณีตรงนี้ให้จบปปัญจะธรรมนี่ธรรมนี่ขยายวัตตาที่เป็นไปในส่วนของสัญญาที่เป็นไปในปปัญจะธรรมสัญญาที่สัมปยุตโดยปปัญจะธรรมคือเครื่องเนื่นช้าเป็นนิทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยบาลีท่านใช้คําว่าปะปัญจ่าสัญญาสังขานิทานโอก็แปลบอกว่าทำเครื่องเนื่นช้ามีอยู่สามประการนาะเครื่องทำเครื่องเนื่นช้าคือตัณหาทำเครื่องเนื่นช้าคือมานะ แล้วก็ทําเครื่องเนิ่นช้าคือทิฏฐิตัณหาเท่าไรร้อยแปดทำเครื่องชื่อว่าเป็นทําเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหามานาเท่าไรมานาเก้ามานาเก้านับยังไงเป็นผู้สูงกว่าเขาสําคัญตัวว่าสูงกว่าเขาใช่ไหมเหมือนไตมาเป็นท่าพวกเ็เราสูงกว่าเขาเนี่ย เราสูงในศีลสมาธิป I mean, like ัญญาอันมาสําคัญอู้เราสูงกว่าเขานี่เป็นมานะถ้าไปคิดนี้เป็นมานะเป็นผู้สูงกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นมานะไหมเป็นผู้สูงกว่าเขาสําคัญตัวว่าต่ําหรือเรวกว่าเขาเป็มานะเสมอเขาสําคัญตัวว่าสูงเสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเสมอเขาสําคัญตัวว่าต่ําอ้าวเป็นมานะอีกต่ํากว่าเขาเป็นผู้สําคัญว่าสูงต่ากว่าเขาสําคัญว่าเสมอต่ำกว่าเขาสําคัญตัวตัวว่าต่ํา นี่มานะเก้าเนี่ยเป็นเครื่องเดินช้าคือมานะแล้วก็ทิฏฐิหกสิบสองชนิดเชื่อว่าเป็นทำเครื่องเดินช้าคือทิฏฐิในบรรดาทำเครื่องเดินช้าเหล่านี้ในที่นี้ท่านหมายเอาทำเครื่องเดินช้าคือตัณหาในที่นี้นะท่านจับตัณหาก็ว่าที่เรียกว่าทำเครื่องเดินช้าเพราะอัตวะกระเลยที่เรียกว่าทำเครื่องเดินช้าเพราะอัตวะให้ถึงอาการมัวเมาแล้วไปถึงความประหม่าขาดสติ ความสําคัญที่ประกอบไปทํำในเครื่องเนิ่นช้าชื่อว่าปัปันแต่สัญญาเนีคือความสําคัญที่คุกค้าไปด้วยทําเครื่องเนื่นช้าเรียกว่าสังขารเพราะเป็นส่วนหนึ่งความเนื่นช้านี่นะมีความสําคัญเป็นข้อมูลเอาไปดูในขุตการณนิการสุดปฏิบาตนะขายายหน่อยคือว่าสําคัญที่จะประกอบไปได้วยทเครื่องเนื่นช้าเป็นข้อมูลจึงหมายความว่าความตริกเนี่ยมีส่วนสําคัญประกอบด้วยทาเครื่องเนื่นช้าทีนี้ปฏิปทาอันสมควรให้ถึงการดับ สัญญาที่สมัมพยสกับปปัญญรทำคืออะไรความดับโดยไม่มีส่วนเหลือก็คือความระ ง, งับโดยความสําคัญที่ประกอบไปทำเครื่องเงินชา้าท้าสกะกระทูลถามทางพร้อมทั้งวิปัสนาและความความเหมาะสมแห่งความดับโดยไม่มีเหลือและข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความควาดับลำดับนั้นนะนะพระผููม้ภาคเจ้าก็เริ่มแสดงเว e ทนาสามเลยที่ตรงเนี้ย พอหลังจากท้กากะรูม้มาตามลําดับบอกโอ้โหทำเครื่องเนิ่นช้าทําให้เสียหายแน่นอนทําไมเนาะในสังสารวัตเนี่ยเราจรึงเนิ่นช้าในสังสารวัตรไม่พ้นทุกข์ก็เลยถามเลยแล้วผลทางที่จะยังพ้นอยากทำเป็นเครื่องเนิ่นช้าคืออะไรพระเจ้าแสดงมรรคแปดเลยเข้าใจไหมมรรคแปดนี่คือปฏิปทาให้เข้าถึงความดับเห็นความเนิ่นชา้าพระองค์แสดงอะไรแสดงเวทนาสามสุขเวทนาทุกขเวทนาและเวทาเวทน า, ทนาพอกเวทนานี่เป็นอะไร เป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานใช่ไหมมีความเพียรมีสัพเชัญญามีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกในเวทนาเสียดได้และจะเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความแบบดั บ, ดบปปันจากสัญญาคือสัญญาที่สมยึดการทำเป็นเครื่องเดินช้านะเข้าใจใช่ไหมนี่ก็เริ่มแสดงเวทนาแล้วแต่เนี้ยเวทนาสายเรือนเวทนาสายเนคขมะทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและสมณะเวทนาเดี๋ยวต่อไปอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนกันตรงเนี้ย ว่าสายเรือนยังไงสายเนตรขม้ายังไงก็มาไขขัวหนึงห่งนะคืออาเวทนามาเป็นตัววิจัยเอามาเป็นอรนารามณ์ปัจจัยของสติสัพชญญายแล้วก็วิรยิยะต่อไปจะได้เดินสมาธิ <c oughs> เดินสมาวยมะเดินสมาสติในการที่จะไปวิจัยวิจัยรอบรู้เวทนาพุทธะละมิจฉาทิฏฐิใช่ไหม อาไปรอบรู้เวทนาเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิไปรอบรู้เวทนาเพื่อจะละมิจฉาสังกปะไปรอบรู้เวทนาเพื่อจะละมิจฉาวาจาไปรอบรู้เวทนาเพื่อจะละมิจฉากรรมตะไปรอบรู้เวทนาเพื่อจะละมิจฉาอาชีวะไปรอบรู้เวทนาเพื่อจะละมิจฉาวายมะรอบรู้เวทนาเพื่อจะละมิจฉาสติไปรอบรู้เวทนาเพื่อจะละละมิจฉสมาธิเพื่อจะเข้าถึงสมาธิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสมาสติสัมมาสมาธิ เพื่อจะประชุมอริยมรรคก็ต้องการไปรอบรู้เวทนาเพื่อรับ ว, วิชฉาที่ฐิเบื้ต้นก็จะ ย, ะยังพระเจ้าแสดงอย่างนั้นไม่ยากเลยเลยเนี้ถามว่าการศึกษาคําสอนพระเจ้าเปนเรื่องการวิจัยนะต้องวิจัยใช่ไหมต้องเข้าใจไหมต้องเข้าใจต้องวิจัยต้องไตรตรองไครควรและพิจารณาจริงๆอาถามบอกว่าเวลาสุขเวทน า, เ, าเกิดขึ้นทาให้ความมินทผิดเกิดขึ้นได้ไหม ใครสุขเห็นไหมเรามีความสุขความสุขอยู่ในเราเราอยู่ในความสุขเป็นต้นความสุขตั้งอยู่ในเราต้องละมิจฉาทิฏฐิใช่ไรละใช้สมาธิที่เข้ไปละเพียรพยายามไปจะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิิสติตามลึกด้วยอจะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิิใช้สมาธิิสมาวิมารสมาสีแวดล้อมสมาธิิไปรอบรู้เวทนาจะได้มียึดเวทนาเป็เราเป็นของของเรา อู้เข้าใจเลยตรงนี้นี่เป็นอย่างนี้สุขเวทนาเกิดขึ้นกับวิจัยแล้วก็ดูเหตุของเวทนารู้ตัวเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นวิจัยดูเหตุของเวทนารู้จักเวทนาเพื่อจะละความเข้าใจผิดในเวทนาใช่ไหมอย่างนี้สิมันเหตุในการบรรลุนี้สิปฏิปทาเพื่อละปัปปัญจะทำที่เป็นใบกัดสัญญาที่สำไม่ใช่กับสัญญาเครื่องนั้นชาใช่ไหมโยอมสมาน ในสังสารวัตที่ผ่านมาเราวิจัยไม่โจกมันถึงเป็นแบบนี้ต้องวิจัยหมาให้จบให้ได้ต้องถาวัาต่าให้ได้เข้าใจป่าไม่ค่อยสู้กันเลย เ, ย เ, เนี่ยว่าบอกปวดปกไม่ขึ้นเลยอะปุกไม่ขึ้นเลยเป็นยังไงมันมันมันล้างไงนนฮะมนนไม่อยากคนทุก ถามจริงอยากเป็นตอของวัตตะเปล่าอยากเป็นอยากเป็นตอของวัตตะเปล่าวัตตะขาณูอ่ะยากเป็นหรือเปล่าอยากเป็นไหมคือเฝ้าพบอยู่เนี้ยเขาไปกันหมดเขาบรรู้กันเริ่มเริ่มแล้วเราก็จะเฝ้าอยู่เนี้ยอยากอยากเป็นประเภทนี้ไหมถ้าไม่อยากเป็นเล่ห์ต้องคนฝ่ายนี้นถ้ า, างั้นเป็นแน่นอนใช่ไหม เพราะคนเป็นกันเยอะแล้วออกเมื่อกี้ที่อาจารย์ยาถามโยมสมานถามบอกว่านรกเนี่ยเนี่ยสี่ภูมิเนี่ยถ้าบรรดาพวกมิจฉาทิถีไปตกนรกใช่ไหมอาจารย์ถามอะ่ะแล้วถ้าหากว่าไฟไหม้นรกหมดแล้วกลุ่มมิจฉาทิถีไปอยู่ไหนกลุ่มนี้ตามมิจฉาทิถีไปอยู่ไหนเออพวกนี้จะยกนรกหนีไปอยู่อี ก, กจากขอบจักรวาล น, นั่นพอมันไหม้มันมีนะั้นเมื่อกลื่อนมาอยู่ที่เดิมอีกเนี่ย ตนี้ยายคุกแล้วออกแาว่าตามไม่ได้น่ากลัวไหมละ่ะอยากจะเป็นกลุ่มนี้ั้ยถ้าไม่อยากต้องรีบเร่งตอนนี้ไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วใช่ไหมนี่มามัวมามัวชักช้าอยู่ใยมีเนี่ยไม่ได้แล้วอย่าไปห่วงมันลูกหลานังหเออไปห่วงทำไมลูก ชารเจลยอย่ไปวุงมันคิดใหม่เฮ้ยตายแล้วจะไปกอดมันทำไมปล่อยมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยช่วยไม่ได้แล้ ว, ไ, ว, ไ, วไม่เอาล็อกเขาไป <c oughs> เอาไปทาไมล้วเอาไปตกนรก <c oughs> เอาจริงใครมายกใครจะมามาไม่เอาล็อก <c oughs> สมมตินะโอ้ยท่านเนี่ยเดี๋ยวยอมยกนายผันไร่มาไม่เอาอกเอาไปทำไมท <c> ก <oughs> ิเลยก็จะเกิดอีก เร่องจะมาโอ้ดีแล้วจะสร้างวัดไปใหญ่เลยทเนี้ยวนี้นอนไม่เอาแล้วถ้าจะชวนพูดเรื่องนี้ด้วยเขไม่ค่อยากจะพูดมากด้วเดี๋ยวใจไปยินดีกับมันในสังสารว่าที่ผ่านมาใส่มือไปยินดีเหล่านี้ในอาณาเนี่ยเร้่เนินช้าใหญ่เลยไม่เอาแล้วตอนมองห่วงมาโยนใส่คอโอ้โหดีแล้วเกิดละมัดติดกระต่อไว้ <c oughs> เราโอยดีเรามีนะเรามีไร่อย่นั้นเลยนะเรามีทรับว่างั้นเฝ้ า, วาวไว้ทีแล้วเวลาลูกหลานมันมาใช้ของเราจะร้องไห้วิ่งไปก็วิ่งมาก็ไม่มีใครเห็นเราใช่ไหมพวกเปรตน เ, นนนเป็นยังไงย้อนสมัยนะเปรตบางอย่างพวกเนี่ยมาเฝ้าซับตเนเองอยู่ใช่ไหมไอต้ตนวเองสมัยนั้นก็ห่วงใช่ไหมบริหารแย่ต้องไปดูทุกอทิตทุกอทิต พอถึงยกของเขาเนี่โอ้สบายเฉิบอยเลยไม่สนใจขายแบ่งขายบ้างอย่างนี้ก็ร้องรั่นเลยร้องลั่นลมก็ลุกคุกคานอยู่นั่นแหละโอ้หนักหัวแท้ก็ก็เลยไปยินดีแค่สองชั่วโมงแล้วต้องระวังนะใช่ไหมเพราะถามว่าชีวิตในการศึกษาคําสอนต้องเร็วเร็วไวไวั้มต้องเร็วเร็วไวไวไหมต้องเร็วเร็วไวไวยิ่งหมดเวลาศึกษาอยู่แล้วใช่ไหม